และความสุขอย่างอื่นที่ประนีตยิ่งไปกว่านั้นแล้วจึงทรงยืนยันได้ว่าจะไม่ทรงเวียนกลับมาหากรรมอีกแต่ถ้าพระองค์ยังไม่ทรงประสบความสุขที่พระนีจเ ช, ช่นนั้นแล้วก็จะไม่ทรงสามารถยืนยันได้ว่าพระองค์จะไม่ทรงเวียนกลับมาหากรรมอีกพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสทํานองเตือนผู้ปฏิบัติธรรมให้ระลึกไว้ว่าถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญา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 สุกเนื่องด้วยจตุทะฌานซึ่งประกอบด้วยอุเบขาและเอกกตาหกอากาศสานัญจาตนะสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยอากาศสานัญจาตนะสมาบัตซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิ้นเชิงปฏิฆสัญญาล่วงไปหมดไม่มณสิการนานาตสัญญานึกถึงแต่อากาศอันอันัเป็นอารมณ์เวิญญาณัญจาตนะสมาปฏิสุข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 2. ชาณสุขหรือสมาปฏิสุขหรืออัฏฐสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยชาญหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัตแ8แยกเป็นสองระดับย่อยคือ 2.1 สุขในรูปชาญหรือสุขเนื่องด้วยรูปชาญส 2.2 สจุสุขในอรูปชาญหรือสุขเนื่องด้วยอรูปชาญสความสุขระดับที่สาม นี่โรธะสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยนิยโรสมาบัตสุขทั้งสิบขั้นนี้ท่านยอมรับว่าเป็นความสุขทั้งนั้นหากแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าประนีตลึกซึ้งยิ่งกว่ากันขึ้นไปตามลำดับขั้นเพราะความสุขขั้นตน้ตนๆมีส่วนเสียหรือแง่ที่เป็นทุกข์แทรกอยู่ด้วยมากเมื่อเป็นสุขขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประนีตบริสุทธิ์มากขึ้นท่านสอนให้มองความสุขเหล่านั้นตามความเป็นจริง